ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจทำสมาธิในเบื้องต้นอาตมาจะเป็นผู้นำให้ทุกๆคนพากันว่าตามข้าพเจ้ า, จาและเลิกถึงคุณพระพุทธเจ้ า, จาคุณพระธรรมรคุณพระสอง คุณบิดามารด า, า, า, าคุณครูบาอาจารย์า จ, ารจงมาดล บ, รรบันดาลให้ใจของข้าพเจ้ า, จ ง, า, จ, าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ พุโทโธธรโมสังโฆพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโทธเนก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดะมาดิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาไง้ทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจ อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์นั้นได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อาสงไขแสนกับได้ทรงบำเพ็ญบารมีสิทัศนับตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นแต่ละชาติกว่าแต่ที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ และอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นพระองค์ต้องใช้เวลาการกระทำอันแสนนานถ้าหากว่าจะคำนวณว่าพระองค์ให้เนื้อเป็นทานก็ยิ่งกว่าแผ่นพัดตะพีหรือให้เลือดเป็นทานก็ยิ่งกว่ามาหาสมุทรให้ดวงตาเป็นทานก็ยิ่งกว่าดวงดาวในท้องฟ้า ให้กระดูกเป็นทานก็ยิ่งกว่าภูเขาเพราะฉะนั้นาศาสนาธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้จึงเป็นสัจธรรมควรแก่การที่พวกเราจะได้พากันศึกษาและปฏิบัติตามเพราะเหตุว่าคนเราที่เกิดขึ้นมานี้ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นวัตถุร่างกายของเราก็เชื่อว่าเป็นวัตถุวัตถุก็เรียกว่าวัตถุของโลกวัตถุของโลกนั้นถ้าหากว่าเราหลงวัตถุก็หมายความว่าเราก็จะอยู่ในโลกนี้ต่อไป แต่ถ้าหากว่าเราได้พากันปฏิบัติเช่นเดียวกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าเราก็มีหวังว่าเราจะไม่มาเป็นวัตถุของโลกอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามในขณะที่ตัวของเรายังเป็นวัตถุของโลกอยู่นี้ เราก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าวัตถุที่เราได้นั้นเป็นวัตถุที่มีความวิเศษมากกว่าวัตถุอื่นใดที่มีอยู่วัตถุในโลกนี้จะเป็นวัตถุใดก็ตามวัตถุเหล่านั้นไม่มีความดีเกินไปกว่าร่างกายที่เราได้มานี้ ร่างกายที่เราได้มาถือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษเพราะฉะนั้นในคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสัตววิเศสมนุษย์นี้เป็นสัตว์วิเศษก็หมายความว่าเป็นวัตถุที่วิเศษกว่าวัตถุอื่นใดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้วัตถุสิ่งนี้มา เราก็สมควรแก่การที่เราจะทําให้เป็นประโยชน์ยิ่งคือทําให้เป็นประโยชน์ยิ่งการทําประโยชน์ยิ่งก็คือทําประโยชน์ให้แก่ตัวของเราตัวของเราคือใจใจเรานี่เรียกว่าเป็นอามตะเป็นที่เรียกว่าเป็นนามธรรม ที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนับเป็นเวลาหลายนานแสนนานหลายอสงไขยใจของพระองค์นั่นเองที่ได้สะสมบารมีเหล่านั้นไว้จนกระทั่งถึงการแก่กล้าพวกเราเช่นเดียวกันมีใจเหมือนกันทั้งนั้น ไม่ว่าใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นอิสระจึงมีความเป็นใหญ่อิสระแปลว่าความเป็นใหญ่ในตัวของเรามีใจนั้นเป็นใหญ่ใจนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่คอยจะสะสมเอาซึ่งวัตถุคือร่างกายอันนี้จะปฏิบัติงาน เมื่อร่างกายอันนี้ปฏิบัติงานไปในทางที่ผิดใจก็จะต้องรับในสิ่งที่ผิดเมื่อร่างกายอันนี้ปฏิบัติไปในสิ่งที่ถูกใจของเราเป็นส่วนรับก็จะมารับสะสมในสิ่งที่ถูกหรือเรียกว่าสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักว่า ส่วนใดดีส่วนใดไม่ดีเราก็อาศัยความตัดสารู้ของพระสัมมาสัมพุทเเจ้าเป็นเครื่องที่จะจำแนกแจ ก, กออกมาว่าส่วนนี้เป็นส่วนดีส่วนนี้เป็นส่วนไม่ดีส่วนไม่ดีคือการปฏิบัติผิดศีลการปฏิบัติไม่ปฏิบัติทำสมาธิ ไม่ยังปัญญาให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นเรีย ก, กว่าไม่ดีการที่เราปฏิบัติศีลเราทำสมาธิเรายังปัญญาให้เกิดขึ้นเหล่านี้เรีย ก, กว่าดีเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงบัญญัติธรรมนูนของพระพุทธศาสนาจึงได้กล่าว ธรรมนูนในถ้ำกลางพระอาราหาร 1, อันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองในวันมาทะบูชาเพนเดือนสามในคราวนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เวลุวันกัลลันทกะนิวาปสถานนคร ร, ครราชฤ์มีพระอาราหาร 1, อันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองได้มาประชุมกัน พระพุทธองค์ได้ทรงใช้โอกาสนั้นแสดงธรรมนูญของพระพุทธศาสนาที่ได้ทรงแสดงว่าสัพพะปาปัสระอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงพุทธะลัตปุปสัมปดาการยังกุศลให้ถึงพร้อมสัจจะปริโยธปนังการทำจิตให้ผ่องใส เอตังบุตานาศาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าแม้จะมีคำสอนถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์หรือจะมีคำสอนมากมายเหลือขนานานับแต่ย่อลงมาแล้วมีอยู่สามข้อด้วยกันคือการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อบาป ย่อมจะต้องละออกไปการกระทาใดๆที่เรียกว่าเป็นบุญต้องทำขึ้นการกระทาใดๆที่สร้างความบริสุทธิ์ให้แก่ใจถือว่าเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นธรรมนูนของพระพุทธศาสนาจึงวางหลักไว้สามหลักด้วยกันมีการละความชั่วประพฤติความดี ทำจิตให้ผ่องแผ้วละความชั่วจะด้วยประการใดๆคื อ, อยาหมายความว่าอย่าทำการกระทำความชั่วนั้นถือว่าผิดธรรมนูญของพระพุทธศาสนาการฆ่าสัตว์การฆ่ามนุษย์การฆ่าทั้งปวงนั้นถือว่าผิดธรรมนูญการขโมยถือว่าผิด การประพฤติผิดกามเมสมิจฉาจาร์ต่างๆถือว่าผิดการโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เสียประโยชน์ถือว่าผิดการเสพสุราเสพยาเสพติดถือว่าผิดอันนั้นผู้ที่ระทำเช่นนั้นไม่ถือว่าเป็นผู้ยืนอยู่ในหลักสามประการ ผู้ที่ทำความชั่วต่างๆไม่ได้ถือว่าอยู่ในหลักสามประการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติธรรมนูนไว้ผู้ที่สร้างความดีละการฆ่ามนุษย์ละการที่จะเขโมยของคนอื่นตีชิงวิ่งราวละการประพฤติการเมสมิทธิจฉาจยา์ ละการหลอกลวงทำให้คนอื่นเสียประโยชน์ไม่เสพยาเสพติดไม่กินเหล้าเมาสุราอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ยืนหยัดอยู่ในหลักสามประการเรียกว่าหลักธรรมนูญสามประการของพระพุทธศาสนาและทางใดที่จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ใจ ในข้อที่ว่าสัจจิตะปริโยธปนังการทำจิตให้ผ่องใสชื่อว่าการกระทำจิตนั้นก็ถือเป็นหลักหนึ่งในจำนวนสามหลักเพราะอะไรเพราะว่าจิตของบุคคล น, นั้นถ้าหากว่าได้รับการพัฒนาแล้วจะพัฒนาได้ จากบุคคลธรรมดาหรือเรียกว่าจากบุถุชนมาถึงกัญยาณชนจากกัญยาณชนไปถึงอริยชนสามารถที่จะพัฒนาได้หลักทั้งสามประการนั้นมีสิ่งที่ย่อยๆออกไปก็คือเมื่อปฏิบัติสิ่งใดเพื่อการบำรุงให้ จิตใจเกิดความเจริญเกิดความผ่องใสสะอาดนั่นแหละชื่อว่าเป็นการที่ทำให้เกิดความถูกต้องในหลักนั้นๆคือหลักสามประการนี้ในขณะนี้เราพากันกระทําจิตใจหมายถึงว่าเรากำลังเปฏิบัติในหลักที่สาม คือการทำจิตให้พ่องใสการทาจิตให้ผ่องใสนั้นเป็นสิ่งที่สามารถหรือเป็นสิ่งที่กระทำให้เกิดความบริสุทธิ์ใจของเรานี้ไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง กิเลดคือราคะโทสะโมหะที่ถูกครอบงําด้วยอวิชชาใจของเราเนี้ถูกครอบงําด้วยอวิชชาอาวิชชานั้นคือสิ่งที่เรียกว่าความมืดมิดที่ปกคลุมบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นเป็นใครในโลกนี้ย่อมถูกอวิชชาเป็นเครื่องปกปิดมิดไว้ด้วยกันทั้งเส้น เมื่ออวิชตามีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปมีแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดพัสฐะพัสฐะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพ เพราะก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อมีชาติแล้วก็มีชรามีชราแล้วก็มีมรณนะเมื่อตายแล้วอวิชายังอยู่เมื่ออวิชายังอยู่ก็ต้องเวียนแล้วทีนี้เวียนไปเกิดอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารต่อไปเรียกว่าวัฏะจักเือการหมุนเวียนไม่รู้จักสิ้นสุดเรียกว่าวัฏฏะจัก ในคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอนามัตตะเกมีที่สุดในเบื้องต้นอันบุคคลตามอยู่รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายก็จะต้องเกิดตายอยู่เช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าได้พากันมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอริยสัจธรรมเป็นต้นแล้ว ก็จะสามารถแก้ไขซึ่งอวิชานี้ได้การแก้ไขอวิชานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยอยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะกระทำให้เกิดขึ้นมาได้พระเหตุใดพระเหตุว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติอริยสัจสี่นี้มาแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ทาลายอาวิชชาแล้ว เป็นองค์แรกแล้วพระองค์ก็แนะนำสาวกให้พากันทำลายอาวิชานี้มาแล้วเราทั้งหลายในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสาวกสาวิกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันพระะนั้นเราจึงสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อจัดการกับอวิชชาได้ เพราะว่าอาวิชชานี้ไม่มีอะไรที่จะไปขจัดมันได้นอกเหนือไปจากจะบำเพ็ญอริยสัจธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าเอโกอยังพิเกเวมกกัคโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางที่จะบรรลุได้นั้นมีหนทางเดียวเท่านั้น ยังพระองค์จึงตรัสว่าเอโกแปลว่าอันเดียวไอยังพิกาเวยวมัคโวพิกาเวแปลว่าดูก่อนภิกษจ์ทั้งหลายมัคโวแปลว่าหนทางหนทางมีทางเดียวเท่านั้นต่อหมายถึงอริยสัจธรรมการปฏิบัติอริยสัจธรรมให้เกิดขึ้นจึงจะได้ชื่อว่า สามารถที่จะกำจัดอาวิชาต่างแต่ว่าเราจะปฏิบัตินานมากเท่าไรหรือว่าไม่นานหรือว่านานหรือว่าจะใช้การใช้เวลาสักเท่าไหร่นั้นก็อยู่ที่พวกเราเองที่จะแก้ไขตัวของเราเองในการที่จะกจัดอาวิชาตัวนี้ การที่จะอากจัดอวิชชาตัวนี้นั้นต้องเริ่มด้วยมักมักนั้นจะต้องเริ่มด้วยข้อที่แปดข้อที่แปดก็คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดคือกำหนดเอาฌานสี่ปฐมฌานสติฌานตติฌานจะตุถิฌานไม่ต้องทำสมาธิเกินไปกว่านี้ ทำสมาธิเกินไปกว่านี้ก็ไม่ไม่จำเป็นมีความจำเป็นว่าจะทำสมาธิก็เอาแค่ชานสี่คือจะตุติชานพอแล้วเมื่อบำเพ็ญถึงจะตุติชานถือว่ากําลังดำเนินมกักมักข้อที่แปดแต่มักนั่นจะดำเนินข้อเดียวไม่ได้ต้องดำเนินทั้งหมดจึงจะสาเร็จได้ เหมือน ก, นกันกับรถจะวิ่งล้อเดียวไม่ได้จะต้องวิ่งสี่ล้อมีล้อเท่าไหร่ก็วิ่งไปนั่นแหละจึงจะบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุจุดที่หมายปลายทางเพราะฉะนั้นเมื่อมรรคที่แปดก็จะต้องย้อนกลับคืนมาหามรรคข้อที่หนึ่งมรรคข้อที่หนึ่งนั่นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไร สัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจสีอริยสัจสีคืออะไรทุกสมุติไทยนิโรธมักมักคืออะไรก็คือมักแปดเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติในมักทั้งแปดนั้นก็มาปฏิบัติในข้อที่หนึ่งและก็จะครบมักแปดคืออริยสัจสี่ แต่ว่าการที่จะดาเนินจิตเข้าสู่อริยสัจธรรมนั้นถ้าหากว่าพลังจิตนี้ไม่มีบุคคลไม่สามารถที่จะดาเนินได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิคือมรรคข้อที่แปดมีพลังจิตนี่ไม่มีพลังจิตจะดาเนินอริยสัจนั้นไม่ได้บางคนหรือบางผู้ ที่ไม่เข้าใจท่องแท้พากันคิดว่าสุขวิปัสสโกความเป็นพระอระหันต์เรียวกว่าสุาวิปัสสก์เรียวกว่าสุขวิปสัสสโกนั้นคือการพิจารณาวิปัสนาล้วนไม่มีสมถะอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหาหันว่ า, าพระอระหันต์ที่เรียวกว่าสุขวิปสัสสโกนั้น ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิจะดำเนินมรครบแปดได้อย่างไรต้องครบแปดคือข้อที่แปดคือสมาสมาธิต้องมีฌา น, น ส, าสาี่เป็นกำลังถึงจะเป็นวิสุขวิปัสสโกก็ตามต้องมีสมาธิเป็นกำลังเมื่อมีสมาธิเป็นกำลังอย่างจิตเข้าสู่อริยสัจ การพิจารณาอริยสัต์นั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือการพิจารณาถึงตัวของเรานั่นเองร่างกายที่ได้กล่าวแล้วแต่ต้นว่าสัตว์โตวิเศษโสพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เนี่เป็นสัตว์วิเศษเพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้แหละจะเป็นบรรทัานตัวประสาน ง, งานที่จะให้จิตของเรานี้หลุดพ้นได้ เพราะคนเราที่เกิดขึ้นมานี่ต่างก็พากันมาหลงอยู่ที่กายอันนี้เองจะไปหลงที่อื่นก็หาไม่หลงที่อื่นมันก็ไม่มีตัวตนเราจะไปหลงจิตตวิญญาณจะไปหลงได้ยังไงไม่มองไม่เห็นไม่มีตัวตนคนที่จะเกิดกิเลสตัณหาก็ต้องมีร่างกายอันนี้ขึ้นมาก่อนเดียวกว่ามีร่างกาย น, นี้เป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้าง เกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นคนแล้วก็หลงหลงก็จะต้องหลงที่ตัวนี้รูปคลั่อยู่ที่ตัวอเน้เมื่อเป็นเช่นนั้นตัวนี้ก็จะต้องเป็นที่แก้ไขเหมือนกับว่านามยอกต้องเอานามบงก็คือหมายความว่าเมื่อเราหลงอยู่ในตัวอเนะเราก็ต้องพิจารณาตัวอเนะเพราะฉะนั้น ในข้ออริยสัจข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าทุกข์จึงท่านจึงให้พิจารณาปริยันติเมพิเคเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกคนกําหนดรู้การกําหนดรู้นั้นก็คือการศึกษาเหมือนกับคนอ่านหนังสือถ้าหากว่าไม่ศึกษาซะก่อนเอาหนังสือมาอ่านไม่รู้หรอกว่า เ, าเขาเขียนว่าอะไรแต่เมื่อศึกษาแล้วก็รู้ ว่าเขาเขียนว่าอะไรเพราะฉะนั้นคำที่ว่าปริโยยันติเมพิโควดูกรภิกสูทั้งหลายทุกควรกำหนดรู้นั้นก็คือการศึกษานั่นเองเพราะฉะนั้นในการที่จะมาเป็นพระอริยบุคคลนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าเสขะบุคคลอเสขาบุคคลเสขาบุคคลคือบุคคลที่ ยังต้องศึกษาอาเสขบุคคลคือบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาแล้วเสขาบุคคลก็คือโสดาสกาาะะิทาคาณาคาพอถึงพระอาหารหันต์ก็เรียกว่าอาเสขบุคคลเพราะฉะนั้นการดาเนินจิตตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาจึงอยู่ในขั้นที่ว่าต้องศึกษาศึกษาก็ไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่ตัวเรา เคยศึกษาที่ร่างกายนี้ให้เห็นจริงแจ้งไปจักลงไปแล้วเท่านั้นก็บรรลุได้อย่างท่านปัญจวัคคีทั้งห้าท่านไม่เห็นได้ไปศึกษาที่ตรงไหนมากมายนักท่านศึกษาอยู่ในรูปพระพุทธเจ้าชี้ลงไปในรูปของท่านปัญจวัคคีว่ารู ป, ปังพิฆเวรนณตารูปไม่ใช่ตอนชี้ลงไปที่รูปของปัญจวัคคีปัญจวัคคีก็มีรูปมาแล้ว แต่ทำไมปัญจวัคคีย์ไม่ได้บรรลุมาได้บรรลุเอาก็ต่อเมื่อพระพุธเทธเจ้าแนะนำให้ก็เหมือนกันกับทรัพย์ในดินสินในน้ำนั่นแหละความโง่เขลาก็ไม่สามารถที่จะเจาะมันขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้แต่เมื่อมีความฉลาดก็เจาะมันขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้เรียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำร่างกายของเราก็มีประโยชน์ได้เป็นอริยสัย์ได้ แต่ว่าไม่มีใครแนะนำให้ระฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำลงไปที่อยู่ลงไปที่กายของเราเนี่ยใครอยากบรรลุทำไม่ต้องไปหาที่อื่นพิจารณาลงไปที่นี่คำว่าสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติสติก็เรียกว่าสติใหญ่ที่สุดก็คือมหาสติ มหาสติก็คือมหาสติต่อไปก็มหาสติปัฏฐานและอะไรเราทเทียบกับมหาสติปัฏฐานกายานุปัสนาจะเรียกว่ากายนี้เป็นมหาสติเรียกว่าเป็นที่ตั้งอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการที่จะดําเนินจิตเข้าสู่อริยสัจก็คือการดําเนินจิตเข้าสู่การพิจารณานี่เองแล้ในที่สุดเกิดอะไรขึ้น วิปัสนานิปัสนานั้นอย่างที่ท่านปัญจวัคคีประสบพบแล้วว่ารู้ปัสสามิงตินิบินติเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วอันอื่นนั้นจะเป็นสมุทัยสัตว์ก็ดีจะเป็นนิโรธสัตว์ก็ดีจะเป็นมรคสัตว์ก็ดีก็ตกลงว่าเมื่อทำทุกขสัตว์ได้สำเร็จสมุทัยสัตว์นโรธสัตว์มรคสัต์ สำเร็จตามไปด้วยการที่เขาอธิบายว่าสมุทัยนั่นปาหาตะบันติเมดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสมุทัยควรละสัชกาตะบันติเมพิกคเวดูก่อนพิสูจทั้งหลายนิโรธควรทําให้แจ้งปาหาตะบันติเมพิคเวดูก่อนพิสูจนทั้งหลายมักควรเจริญให้มากมันก็เท่านั้นเพราะว่าในทุกที่พระพุทธเจ้า สัตว่าทุกขะทุกขแล้วต่อไปก็เรียกว่าทุกขะสมุทัยต่อไปก็เรียกว่าทุกขะนิโรนิโรธต่อไปก็เรียกว่าทุกขคามินีปฏิปทาก็ตกลงว่าทั้งหมดอริยสัตว์ก็คือเอาทุกข์ไว้นําหน้าทั้งสิ้นเรียกว่าทุกขสมุทัยทุกนิโรธทุกธรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นการพิจารณากายให้เกิดนิพพยาณความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อไหร่ เมื่อนั้นก็ถือว่าปฏิบัติหมดแล้วอริยสัจนั่นนะ่ะปฏิบัติหมดแล้วไม่จาเป็นต้องไปอธิบายให้เกิดความลำบากยากเย็นเมื่อพิจารณาเกิดนิพพยายนเหมือนความว่าการที่เราจะรับประทานอาหารเมื่อเราจะวิจัยอาหารอันนี้ว่าอันนี้มันรสเปรี้ยวรสหวานอันนี้มันรสมันรสเค็มอันนี้มันเป็นข้าว อันนี้มันเป็นน้ําตาลอันนี้มันเป็นโปรโตีนอันนี้มันเป็นวิตามินเอวิตามินบีไม่จําเป็นเนี่ยไม่จําเป็นเนี่ยที่เราจะไปนั่งอธิบายกันอ่ะเราจะเปิดปากเปิดเข้าปากแล้วก็แล้วกันจะเปิดเข้าปากวิตามินหรือโปรโตีนอะไรพวกเข้าปากไปแล้วอะ่ะในที่สุดต้องการอะไรหรอต้องการความอิ่มต้องการความที่มีร่างกายแข็งแรง เราก็เปิดอาหารเข้าไปเท่านั้นเองอาริยสัจธรรมนี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาถึงตัวทุกอันเดียวเท่านั้นเท่ากันกับว่ารวบรวมทั้งหมดแล้วเปิดเข้าไปสำเร็จเป็นผลถ้าฉะนั้นจึงไม่แปลกประหลาดอะไรที่เมื่อพระพิสุอองหนึ่งไปเห็นดินดำดินแดงก็มาโสเรกัน พอโศเหละกันแล้วพระพุทธเจ้าได้ได้ยินเข้าก็มาถามว่าพวกเธอเนี่ยมันพูดอะไรกันพระก็บอกว่าแหมเดินไปวันนี้พบดินดำดินแดงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าอย่าไปดูเลยดินภายนอกดูดินภายในร่างกายอันนี้ถ้าสีดินน้ำลมไฟมันอยู่ในกายละห้าร้อยองเหล่านั้นได้ฟังพระพุทธเจ้าแนะนำปฏิบัติ สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ทันเทด้วยฉะนั้นเรื่องของอริยสัจ ท, ที่เราอธิบายกันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่อธิบายทุกข้อเดียวก็สำเร็จหมดพิจารณากายอันเดียวก็เรียกว่าสำเร็จหมดเมื่อพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วเกิด น, นิพพิทญาณความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเจริญให้มากทํารรให้มากจิตนี้จะมีพลังแล้วเรียกว่าปัญญาวุฒอาวุธคือปัญญา เมื่ออาวุธคือปัญญานี้พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเกิดพร้อมแล้วที่จะฟาดฟันซึ่งอาวิชานี้ให้สลายตัวหรือเรียวกว่าทําลายอาวิชาได้เมื่อปัญญารอบเต็มที่แล้วดําเนินอริยสัจเต็มที่ในขณะเดียวกันกินเลก็ค่อยหมดไปหายไปตัญหาก็เบาบางลงไปกิเลตัวนั้นก็ค่อยหมดไปเหมือนกันกับเรา พากาันล้างผาชนะที่กำลังมันเละไปทั้งขี้ต้มขี้คลอนขี้อะไรต่างๆเอา้าล้างที่นี่เอาตอนนี้ตอนปากหมดไปแล้วเอาร้างมาถึงนั่นเอ้าตอนก้นหมดไปแล้วเอาร้างถึงนั่นเอาสีข้างหมดไปแล้วเอาร้างข้างนี้อออข้างนอกหมดแล้วเอาข้างในยังอยู่เอาร้างข้างในเดี๋ยวก็หมดไปแล้วเหมือนกันกันกบที่ว่าพิจารณาเป็นวิปัสสนา ให้เกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในจิตใจนั้นกิเลสตัวนั้นก็หมดลงไปอีกแล้วอ้าวประเดี๋ยวตัวนี้ก็หมดไปอีกแล้วเดี๋ยวตัวนั้นก็หมดไปอีกแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาแล้วที่สุดถึงที่สุดเรียกว่าอสเสขาบุคคลคือพระอรหันต์ก็จะทำลายอาวิชชาได้ฉับพลัน เมื่ออวิชชาดับไปสังขารก็ดับไปเมื่อสังขารดับไปวิญญาณก็ดับไปวิญญาณดับไปนามรูปก็ดับไปนามรูปดับไปภัฒนาก็ดับไปภัฒนัดับไปเวทนาก็ดับไปเวทนาดับไปตัณหาก็ดับไปตัณหาดับไปอุปทานก็ดับไปอุปทานดับไปพบก็ดับไปชาติก็ดับไปเมื่อไม่มีชาติแล้วมันจะมีพยาธิมรณะ ออกมาอีกต่อไปก็ไม่ได้ก็เป็นอันว่าเมื่อปฏิบัติตามทางแห่งอริยสัจธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถได้บรรลุสมควรตั้งใจนั่นเองต่อนนี้ไปนั่งสมาธิกันต่อ